ธรรมชาดกแผ่นที่สิบสองลำดับที่สิบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุตสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงําในวันที่สิบมกราคม2558 ม, ม, ม, มีชื่อเรื่องว่า at เทวทัตหาเรื่องหลวงพ่อจะปารบเรื่องงานวันพรุ่งนี้ให้กับคณะจัตตาร์ญาจมฟังอีกรอบหนึ่ง แต่วันพวนี้เป็นวันที่11ตรงกับวันอาทิตย์สิบเอมกราห <Okay. S 1> นะ้เมื่อพวกเราตอนเช้าบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถวายพระตาหารพระสงฆ์เมื่อถวายพระาหารพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพวกเราก็ได้พระสงฆ์อนุมันาให้พรพวกเราก็รับทานอาหารตามมัธยายใสแต่หลวงปู่บุญมนะ หลวงปูุ่มีปริปุนโนพี่ชายใหญ่ของพวกเราวัดป่านาคูลท่านก็จะมาร่วมงานในะวันพรุ่งนี้นะครับนัตทาญาติโยมลูกหลานพวกเรานานจะได้เห็นองค์ท่านนะท่านจะได้มาร่วมงานตอนฉันจังหันเสร็จเดี๋ยวนี้ท่านพักอยู่ที่สมุทรสาครสงครามวัดมหาชัยนะท่านก็จะได้มาร่วมงานเมื่อทานอาหาร พวกเราฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ9ก้าโมงแต่อธมาเองก็ได้กราบรัตนาท่านเหมือนกันท่านบอกว่าผงไม่เะิดวกแต่ท่านจะฉันจังหันชะกอนท่านจึงจะมานี่แหละคณะสัตย์ทายเ้าโจมลูกหลานทุกคนได้มาร่วมงานและกัวันวันพรุ่งนี้อะไรเมื่อท่านองค์หลวงปู่ท่านมาเป็นประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพวกเราก็ได้เจริญพระพุทธมนต์นี่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 หลวงปู่ท่านก็จะได้เป็นประธานในการเททองเจ้าพระคุณสมเด็จพวกลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่ทุกคนจวดอิทธิพิโสพร้อมกันก้าวจบมักสีผลสี่นิพพานหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเหมือนกับคราวที่แล้วนี่แหละแต่ว่าคณะสัตยาญาติโยมเมื่อมาเมื่อคราวที่แล้วก็จะได้เห็นว่าการก ล, ล่อมหลอม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 ทุกวันนี่ก็คงจะเป็นโรคไตห่านะโรคอฮิวาตะกโรคเนี่ยคนตายเยอะตนตายเป็นบือ่เอเราอยู่ในเมืองนั่นนะตอนนี้เขาก็ประชุมหารือกันว่าเราจะเอาหมอผีหมอดูหมอเราหมออะไรมาปราบนะทวนที้ที่แต่ท่านมหาดีเนี่ยท่านก็ว่าต้อง อาศัยพุทธานุภาพทำมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละมาคุ้มครอง เ, อเดี๋ยวจะไปพูดอขอกับพระเจ้าพิมพิสารเพราะพระเจ้าพิมพิสารดูแลพระพุทธเจ้าอยู่ก็ต้องมาพูดคุยกับเจ้าเมืองกรุงราชคฤห์ก่อนทนีนี้มหาลีนี่ก็ส่งราชทูตมาเองนะมากราบ ม า, มาพูดกับพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าโอ้เมืองไผ่าลีของข้าเนี่ยเกิดภัยวิบัติคนตายเป็นบือไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้แต่ที่แรกก็คือเป็นเป็นป่วยไข้เป็นป น, ป น, นี่แหละลงท้องพวกอหิวาตะกโรคเนี่ยะพวกโรคระบาดพอคนตายเข้าไปนี่ะพวกอับมนุษ ย, ย์ที่พวกเรามองไม่เห็นเน่มันมีนะครับนะัสตางญาติโยมลูกหลานนะ ไอ้พวกผีไงพวกผีปอบผีหาผีอะไรก็ไม่รูอ้อะพวกแต่ในตำราทว่าอมนุษย์คือที่พวกเรามองไม่เห็นมันมาซ้ำมาเติมก็อีกคนป่วยขนาดใดขนาดหนึ่งมันเขามาเย็ยบมาทำร้ายทำร้ายมากินคนอีกต่างหากลักษณะอย่างนั้นอ่ะมันมีเยอะขึ้นมาเลยแตนี่พรพวกอมนุษย์เขามาซ้ําเติมเลยแต่เดกคนก็ตายเพอาะเจ็บหัวปวดไข้เนีน่ตายเอาตายเอาทตเนี่ เออทีนี้ก็ถ่วงมหาลีกับพวกฤทธิศวีทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยตับตกแตง่งคนเข้ามามากราบพระพุทธเจ้ามาขอพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสา ร, รก็กราบพูลพระพุทธองค์พระองค์ก็เออควรจะไปโปรดเขานะจากนั้นพ ร, ระเจ้าพระพุทธองค์ก็เลยรับปากว่าจะไปเมือง เ, ออเวสาลีอย่างที่ว่าน พระองค์พระเจ้าพิมุสานก็เตรียมทางเท่นี่ปรับถนนไปไปจนถึงแม่น้ำพอไปถึงแม่น้ำเจะนี่ก่อนทำทางเกียร์ซอายยางนีปเพว่าิทำชดอกสุดใจน่ะเพื่อบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์0 0าร้อที่ไปในกล่าวนั değil, ้นก็โปรยดอกไม้นานาพันนานาชนิด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 น้ำจนถึงเพียงคอนะนั้นขนาด น, นัะนด้วยความเคารพน่ะพระเจ้าแผ่นดินเคารพพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นักนักศรัทธา ย, ยาตโยมน่ะเดินลงไปถึงแม่น้ําเพียงคอแต่ก็เดินกลับจากนั้นเรือก็เดินไปทางนู้นก็มาคอยรับอีกเหมือนกันอทางพระเจ้าแผ่นดินทางนู้นทา ง, ทางลิสสวีมาเดินคอยรับพระพุทธเจ้าน้ําเพียงคออีกเหมือนกันฮะจากนั้นก็นําเรือเข้าไปสู่ฝั่งทางนู้นก็ประดับตกแต่งซะโอ้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 อย่างกินติวิตย์ตังอิทวาหูรังวาสักเเคชัวยังรัตนนางปณิตังเนี่แหละอันนี้ก็คือสวดพระปริตตะพอพระอานอนท์สวดเรียนจบไรแล้วนะเพราะเป็นภาษาของท่านเนี่ยแต่ก็เรียนจบไรเร็วใช่พอพระพุทธองค์บอกให้ท่านั้นท่านก็จําได้จําได้เหมือนกับเราบอกพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะพอเราก็จําได้เพราะเป็นภาษาเดียวกันนะเมื่อท่านได้คาถาจะได้พระพุทธองค์เอาประทาน ประทานบาตรให้เท่านี้บาตรของพระพุทธเจ้าเองนะอพอประทานบาตรให้เท่านั้นแหละแต่เนีเอาน้ําใส่อพ อ, อน้ําใส่แล้วก็พระอ น, นุลก็สวดพระพุทธองค์ก็สวดแผ่เมตตาเนี่ยอยู่ทางนี้พระอา น, นุ์ก็สวดไปด้วยประพรมน้ําพระพุทธมนต์ไปด้วยเนี่ยคือเหมือนกับ น, น้ําขันเนี่ยพวกนิสสเวตหนุ่มทั้งหลายก็เป็นผู้ถือบาตรพระอ า, า น, นุ์ก็เป็นผู้ใส่ น้ำมันก็ประพรมน้ำพุทธมนต์ไปเรื่อยไอ้ใครเข้าส บ, บัดน้ำไปเรื่อยเรื่อยไอ้พวกอมนุษย์ทั้งหลายก็แตกหนีหือออกไปแทเนี่ยไปซ่อนอยู่ซอกมุมไหนถูกน้ำพระพุทธมนต์ของพระอานนท์แปลว่าอมนุษย์เหล่านั้นก็ล่าถอยหนีไปหมดคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมากิว่าตายแ น, น่ก็เฟื้นคืนมาทุกคนก็แห่แหนกันมา ตามหลังพระ อ, อนอนท์ไปเป็นโวนเลยสิทุกหัวละแห่งจากท่านภัยทั้งหลายเรื่องทั้งหลายเลยสงบสงบอยู่ในความสงบทั้งหมดบ้านเมืองก็เข้าสู่ปกติมีความสุขทวนหน้ากันฝนก็ตกลงมาอีกนะฝนก็ตกลงมาพอพระ อ, อนอนท์ประพรมน้ําพุทธมนต์เสร็จแล้วบ้านเมืองสงบแล้วฝนตกลงมาจนถึง เพียงเอวนะเพียงเขาเพียงเอวไหลพัดซากศพหนีออกจากเมืองล้างเมืองมาแค่นั้นเถอเออทวดาล้างเมืองออจากนั้นก็บ้านเมืองก็สงบร่มเย็นเป็นสุขคืนปกติ น, ะนี่แหละอันนี้เนี่ยว่าพระพุทธองค์ได้เจริญพระพุทธมนต์พวกเราจึงเป็นพุทธศาสนิกชนจึงได้ยึดตัวนั้นล่ะเป็นมาเป็นตัวอย่างเพราะนั้นการมีการ ที่ไหนพวกเราจะเจริญพระพุทธมนต์พระปริตะมงคลเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลเราน้อมนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปโปรดพวกเมือง เ, อเวสาลีภัยสาลีที่มีเกิดภัยวิบัติในครั้งนั้นและก็ทางติดสงบีทางเมืองนั้นเขาก็ให้ความเคารพ มาที่เมืองกรุงราชคื์พระองค์เมื่อบ้านเมืองสงบทางนู้นแล้วองค์ก็กลับมาพระเจ้าพิมพ์ิสาลก็ลงไปรับอย่างเก่านนจนถึงพ เ, เพียงคอไปรับพระพุทธเจ้าค่อยจูงลากเรือขึ้นมาสู่ฝั่งพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามเลยโอ้การที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ย คนทั้งหลายบูชาเคารพบนับถือเรื่มใสเนี่ยพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไงนะพระสงฆ์ทั้งหลายผู้มีกิเลสถามกันนะทินเหมือนกับพวกเราสงสัยอย่างนั้นอ่ะผมว่านี่เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระกษัตริย์เป็นมหากษัตริยนะ์เอยนะผู้ใดบอกว่ไม่ใช่หรอกมหากษัตริย์ก็จังมีทั่วไปเขาก็เห็นไม่เห็นเคารพบเหมือนเหมือนคราวนี้เนี่ยอันนี้มันเกินไปจริงๆนะหนย เป็นพอพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าผมว่านะไอ้พวกพระสงฆ์ถกเถียงกันอแต่บางคนก็บอกคงไม่ใช่แล้วคงจะเหอกันเท่านั้นแหละคงจะเป็นลักษณะนั้นก็คงจะมีพ่อพระสงค์ปุตชนนีะ่ใช่ไหมนานาจิตต่างนานาทัศนะนะเนี่ยใช่ไหมไอ้ใครๆว่าความเห็นพระพุทธองค์ประทรับอยู่ที่พระคันธกุฎีได้ยินได้ยินพระสงฆ์สนทนากัน ด้วยทิพโสตะครเว่าหูทิพย์ของพระพุทธเจ้ า, าพระองค์ก็เดินลงมาสเสด็จลงมาพวกเธอพูดกันด้วยเรื่องอะไรพระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าเพราะเหตุด้วยเหตุนี้พระเจ้าข่ า, เ, าเพราะว่ า, าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยที่คนจะต้อนรับสเสด็จถึงขนาดนี้พระเจ้าพิมพิสารก่อนที่จะสงพระพุทธองค์ไปถึงแม่น้ำก็เถอะ อันนี้ก็ปรับถนนหนทางเอาทรายมาเกลี่ยไม่ถึงกับชายมากไปเกลี่ยถนนพอเดินง่ายๆจากนั้นก็ปลอยด้วยดอกไม้ทั้งสองข้างก็ประดับประดาเสียสวยงามเอาน้ําน้ําประพรมพอเดินได้สะดวกสะดวกเขาทําด้วยจิตศรัทธาจริงๆเอออันนี้พวกผมพวกข้าพระองค์เลยบอกว่าพระพุทธองค์ได้เป็นพระหมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าเป็นดิน คนหนึ่งเขาบอกพระพุทธองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าคนยังนับถือเลื่อมใสถึงขนาดนี้พอไปถึงทางโน้นอีกเมืองพายาลีนี่เีาโอ้โหเขาก็ต้อนรับขับสู้ไม่แพ้เมืองนี้เป็นสองทวีคูณอีกต่างหากเห็นแล้วน่าปลื้มใจกับคณะสัทธา ญ, ญาิโจมเขาเคารพสักการะในพุทธานุภาพในครั้งนี้พระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนสงทางหลาย พวกท่านทั้งหลายเข้าใจผิดเพราะอเนสงของเราตถาคตแต่ในอดีตชาติอเนสงฐานอเนสงประกอบคุณงามความดีความดีของเราตถาคตไม่ใช่ว่าเราตถาคตด้เป็นพระพุทธเจ้าหรือขตถาคตด้เป็นพระเจา้าเพดีไม่ใช่อันนี้เป็นอเนสงของเราในอดีตชาติตอนนี้พทั้งหลายก็กราบทูนถามว่าสมัยไหนพระเจ้าขตถึงได้นอเนสงถึงขนาดนี้ พระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราเกิดอยู่ที่กรุง เ, เมืองตะกาศิลาแนะถวเมืองตะกาศิลาทีนี้เราเรามีลูกชายที่ว่าสุติมะนะักสุติมักกุ ม, มารเรามีลูกชายนิสัยดีมากนิสัยดเีเขาเขารับรักในพ่อพ่อเขอรักในลูกแต่ทีนี้ลูกชายอยู่ที่เมืองตะกาศิลาอยากจะมาเรียนหนังสืออยู่ที่ กรุงพาราณสีมาพอมามาเรียนพาราณสีพ่อเขาเลยบอกเออลูกพ่อนี่มีเพื่อนเพื่อนของพ่อมีอยู่คนหนึ่งเขาเรียนเขาเขามีวิชาอย่างนี้นะให้ลูกไปถามหาเอถอะไปหามหาไปหาไอ้เพื่อนออสหายของพ่อนะ่ยอยู่ที่กรุงพาราณสีนะ่นนะ่ะเขามีชื่ออย่างนี้ให้ไปหาเขานะเนาะเขามีกิติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังออที่เป็นเพื่อนของพ่อนะ ไ ป, ไปหาเขาไปหาเขาเพื่อเรียนหนังสือนะอยากจะเรียนอะไรกับเขากับเรียนกับเพื่อนของพ่อเนะ่กไปเรียนเถอะนะเขาพร้อมทั้งลูกชายก็ลาพ่อเสร็จแล้วก็กลับเขารขาบคารวะพ่อเสร็จแล้วก็เดินทางมาถึงกรุงพาราณสีพอมาแล้วก็มาถามหาเนะี่ยเจอจริงๆเป็นเป็นเพื่อนของพ่อนะจากนั้นก็เข้าไปเพื่อเพื่อเรียนวิชา ที่ต้องการตัวเองต้องการจากนั้นพ่อทางผู้เพื่อนของพ่อเนี่ยพ่อเซียวเนี่ย เ, เรือบอกคุณพ่อทีอ่ที่เป็นเพื่อนของพ่อเนี่ยท่าน ต, ต้องการเรียนอะไรศึกษาอะไรกุมมาเนี่ก็บอกสุจิมะนี่ก็บอกกุมมาเนี่ยก็บอกผมต้องการเรียนอย่างนี้ครับดังนั้นคนที้เขาคนเรียนให้วิทยเรียนเรียนวิชา ไตเวทเรื่องวิชาของพราหมณ์วิชาการบริหารจัดการวิชาไหนที่ต้องการเรียนพ่อในพ่อเพื่อไอพ่ อ, พ อ, พอคุณพ่อนี่ก็สอนพ่อบุญธรรมเลก็สอนให้หมดพอสอนไปแล้วไม่มีที่จบที่สิน้เนเทไงเรียนไปไม่เรียนไปไเท่าไหร่ก็ยิ่งกว้างไปเลยไม่มีที่ไม่จบมองไม่มองมองไม่เห็นปลา ย, ยเพราะงั้นแต่ มองเห็นแต่ต้นกับกลางเท่านั้นกําลังเรียนอยู่ในคือเรียนอะไรแล้วก็เรียนที่ผ่านมาคือเรียนอะไรไอ้ที่จุดจบของมานันอย่างไม่มีก็เลยเข้าไปหาคุณพ่อครับผมเรียนวิชากับคุณพ่อมานี่เนี่ยนานแล้วเออแต่มันหามองหาที่จุดจบไม่ได้เห็นแต่ต้นคือว่าเรียนมาจากตไหนมาจากกอไก่เ อ, อจนมาถึงจุดนี้แต่ปลายมันอยู่ที่ไหนล่ะพอ่อ ทางผู้พ่อโมโอยผู้พ่อเนี่เหมือนกันนะลูกเลยเรียนวิชามานถึงปานนี้แหละพ่อยังมองไม่เห็นจุดจบของวิชามีเรียนตัวหนึ่งแล้วยังเรียนตนัวหนึ่งเรียนตัวหนึ่งวิชาในโลกมันมันหาที่จุดจบไม่ได้นะลูกนะผู้ที่จะรู้จุดจบของวิชานี่คือมีลือสีนะมือมีลือสีจนในป่าให้ลูกไปศึกษาเถอะนะถ้าลูกศึกษานี่ยลือสีเหล่านี้ละ่ะ จะรู้จากวิธีจบจุดจบของวิชาฤาษีอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะเขาจะรู้จากจุดจบของวิชาวิชาทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะรู้มีฤาษีกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะรู้ได้เขาอยู่ในป่าเนี่ยโชซิมะนี่ก็เป็นผู้ไฝ่ในการศึกษาอยู่แล้วเท่านั้น<ม>ก็เดินเข้าไปห า, าที่ไอ้ที่ที่ท พ, พ่อพ่อเลี้ยงบอกเนี่ย กรเดินเข้าไปหาไปหากะเปกาบไปกราบฤศีขึ้ไปกราบพระปัิเจกพุทธเจ้าทนี่นไม่ใช่ฤศีธรรมดาหยอดฤศีว่างานเถเิเป็นผู้เป็นรองจากพระพุทธเจ้าก็คือพระปัิเจกพุทธเจ้าเป็นผู้ได้จะจะรูเ้เป็นพระอระหันย่าแตกสารในปฏิสัมพิทายานทุกอย่างรู้อดีตอนาคต เ, เป็นพระอระหัน แต่ท่านขอไปถามไปถามพระประเจกพุทธเจ้าจุดจบของวิชาคือความรู้เนี่ยอยู่ตรงไหนพระประเจกพุทธเจ้าบอกว่าเอยถ้าเธอไม่บวชก่อนวิชานี้สอนให้ไม่ได้ถ้าเธอบวชจึงจะสอนให้ถ้าไม่บวชสอนให้ไม่ได้โอ้ท่านนั้นกับผมเดี๋ยวผมจะไปเอาบริขารก็เลยมาหาพ่อก็ได้บวชว่ะ บวชก็คงจะบวชง่ายๆนี่บวชพระประเจกฮะพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยพระประเจกก็สอนอสอนวิชาให้ทึเนี่ยสอนวิชาให้ก็คือไหนให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาใจรักเนี่ยอย่างที่พระเจกที่ท่านได้ตัดรู้เนี่ยพอเสร็จแล้วท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระปเจกพุทธเจ้าเลยพอฟังแต่เพราะท่านมีบา ร, รมีอยู่แล้วเนี่ยท่านอสุติมารก็ได้บรรลุตัดรู้พระประเจก สัมโพธิญาณเนอเป็นพุทธะเจกเป็นปเจกับพุทธะเนี่ยแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะรองจากพระพุทธเจ้าคือพระรหันเนี่ยมีอยู่พระพุทธเจ้าพระปัเจกพุทธเจ้าพระรหันตสาวกเนี่ยนี่แหละมันมีอยู่สามนะอันนี้พระพรเจกเนี่ยเขาบอกเป็นตักรู้เองนะโดยที่ว่าไม่ได้พอเห็นสิ่งที่ ตัวเองรู้แล้ปล่อยวางที่ใจเราสำเร็จเป็นพระประเจดผู้เริเจ้ามากต่อมากแต่ในสุสิมะนี่หลวงพ่อก็แปลกเหมือนกันท่านได้ฟังทำคําสอนจากพระประเจรค์รุ่นที่ท่านได้ตัดจะรู้แล้วนะเพราะท่านได้ฟังท่านก็ได้สําเร็จอีกเพราะท่านเป็นผู้มีบา ร, รมีแก่กล้าจากนั้นท่านก็มาอยู่ในเมืองมาอยู่ไม่นานด้วยที่ท่าออ์พระประเจกองค์นี้ท่านก็คงจะ ได้สั่งสมบารมีมาชีวิตของท่านก็ไม่ยืนยาวพอจากนั้นท่านก็ปรินิพานจะมองไปเช่ว่าตายนะพระประเจก็บอกปรินิพานนะผู้ที่ได้สําเร็จเป็นพระอราหันต์ได้พระผู้ได้เจ้าดับขันปรินิพานพระสาวกทางหลายปรินิพานนิพานอนุอนุปาที่เสีสนิพานคือพระประเจกนะไอคือพระอราหันต์นะ อันนี้พอปเจก็นี่แหละท่านปฏินิพพานพอท่านปฏินิพพานแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายไอ้พระปเจกพระเจ้ทเจาทั้งหลายพี่น้องประชาชนทั้งหลายก็เลยเผาประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงประชุมเพลิงพอประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยเขาก็สร้างสถูปสถูปปเจดีไว้ในทางสีเพ่งให้คนได้กราบไปไหว้ น, นี่คือกระดูกผู้วิเศษกระดูก พระประเจกพุทธเจ้าใครได้กราบแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีได้กราบไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์ผู้ที่ได้กราบพระธาตุพระประเจกพุทธเจ้ากราบพระธาตุพ <pun. S 1> ุทธเจ้ากราบพระธาตุพระทหัรแตสาวกอย่างพระพุทธเจ้าของเราในยุคในยุคของขั้งพุทธการเหมือนกันถ้าพระสาวกองคใดได้สําเร็จเป็นพระทหารพระพุทธองค์บอกว่าให้ประชุมนะให้ประชุมเพลิง เ พ, พื่อไปชมเพิงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นําอธิธฐานของท่านไปตั้งสถูปไปในทางสีแพ่งให้คนได้กราบได้ไหว้เขาจะเขาเหล่านั้นจะไปสู่สวรรค์ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเขากล้าพระาธาตุของพระอรหันต์เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ท่นี้พระประเจกพุทธเจ้าองค์นั้นเมื่อท่านปรินิพานแล้วประชาชนทั้งหลายเขาก็ประชุมเพลิงนะ พอไปชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเออเขาก็นำทมเป็นจะโทพขึ้นมาเป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาเนี่ยแต่ใ น, นทางพ่ออยู่ที่เมืองตะกัตจลาเนี่ยเอลูกของเรานี่ไปไหนยังไม่ทาให้ไม่เห็นมาเนี่ยเพราะไม่มีวิทยุโทรทัศน์อย่างโทรศัพท์อย่างทุกวันนี้เนี่ยเออก่อนที่จะถามหาใครเนี่ยมันก็คงจะถามหายากเพราะลูกชายของเราก็ ไม่ใช่คนใหญ่คนโตนะเพื่อไปเรียนวิชาความรู้นะแต่ได้กเขาขายบว่าเราควรจะไปเยี่ยมลูกของเราเนะ้่ใครเขาว่าลูกหัวแก้วเลี้ลูกหัาแก้วหัวแหวนรัก อ, อ, อยู่แล้วคนนิสัยท่านดีอยู่แล้วนะเนี่ยถึงจากไปพ่อยังเป็นห่วงอยู่ในจิตในใจรักลูกนะพอมาทราบข่าวว่าเอ๊ะลูกของผมชื่อสุชิม m ฮะ เ, เป็นเด็กหนุ่มมาเรียนหนังสืออยู่กับนี่นะ เดี๋ยวนี้อยู่ไหนพวกพวกท่านทาั้งหลายพอรู้ไหมโอ้เออรู้ที่ลูกเนี่ยชื่อสุชิมาเนี่ยปวดได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าจากนั้นก็ท่านได้ปรินิพานแล้วนี่พวกเราได้ไปชมเพลิงกันตรงนี้ละพะเอแล้วก็ได้ตั้งสถูปขึ้นมาเนี่ยอพอพ่อได้ยินเท่านั้นโอ้เออใครเข้าเสียใจร้องห่มร้องไห้อย่างสุด หัวจิตหัวใจเลยไม่รู้จะทํำยังไงผลที่สุดคือพราหม์เข้าไปที่ไหนเขาก็มีเต้าน้ําเต้าไปด้วยน้ําเต่าน้ําไปด้วยจากนั้นพราหม์นี่ก็ไม่รู้จะทําไงเขาไปกราบไปกราบพระเจดีย์พอกราบเสร็จแล้วก็ได้เอาผ้าผ้าคัมมาผ้าที่ไปด้ว ย, ยไปเอาทรา ย, ยไปหอบเอาทรายใส่ผ้าเสร็จแล้วก็มาล่อนให้ดีเลยกันเอามาเทปโปรยรอบ พ่อเจดีของลูกชายนะพอเทปโปรรอบลูกชายเสร็จแล้วหาดอกไม้ป่าแถบแวนั่นนะ่ะมาปโปรรอบอีกแล้วก็อน้ำรดดิใครเข้าว่าทำจนสุดอกสุดใจของพ่อนำะง้นเถอะบูชา บ, บูชาพระธาตุพระประเจกพุทธเจนะ้าพอทําเสร็จแล้วก็กา ร, ราบไหว้เคารพสักการะบูชาแนละ้วกับพ่อกับแล้วเนดะ้นรูกน้วเหนกะันพระธาตุพระปัิเจกพุทธ จกลับแล้วพ่อก็เลยลากลับเมืองตะกัตีลานี่แหละอานิสง์ของเราที่ได้บูชาพระเจดีพระประเจก พ, พุทธเจ้าในครั้งนั้นละ่ะมาในคราวนี้เราไปที่เมืองไผ่สาลีเรือเมืองกรุงราชสกุล อ, อย่างพวกท่านทั้งหลายเห็นอานิสง์อันนั้นล่ะอานิสง์ของเราได้บูชาพระประเจกพระาธาตุพระประเจก พ, พุทธเจ้าในครั้งนั้น ไม่ใช่ว่าข้าพรเจ้าเราสถาคดได้เป็นพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เราสถาคดได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะอันนี้สงทานเนี่ยที่เราได้ทำในคราวนั้นเนี่ยแหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นะอันนี้สงแหงทานเนี่ยมันมันมองไม่เห็นมันเป็นพลังนะเป็นพลังทางด้านจิต ด, ด้านใจของพวกเราบาปอากุศลก็เหมือนกันนะบาปอากุศลก็จะไปทำนะบาปอากุศลก็ทลงไปกบาปติดตัว กรรมชั่วจะทําเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่เมื่อท่านพระพุทธเจ้าของเราท่านทํากรรมดีได้บูชากระดูกลูกชายของท่านลูกชายของท่านก็เป็นพระประเจ้พุทธเจ้า น, ะนี่อันนสงสจะติดพบติดชาติมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าอันนีสงสก็ยังนํา ม, มาถึงนํา ม, มาให้ผลที่พระพุทธเจ้า สเสวยพระชาติชุดท้ายพระพุะธองค์บุญกุศลนั้นยังตามมาให้ผลเพราะนั้นสิ่งชั่วก็ดีสิ่งที่มันไม่ดีก็ดีอย่าทำถ้าทามาแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่างที่เมื่อไม่นานมานี้หลวงพ่อได้พูดพู ด, พดแต่หลวงพ่อเองไม่อยากจะพูดในวันนี้หรอกอแต่ก็ที่จะพูดให้ฟังเพื่อเป็นการ เ, เรียนรู้เพื่อการศึกษาแต่ทางนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้อกหนักอกหนักใจแต่พอให้ฟังให้เป็นแนวทางแล้วกับพวกเราเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรูเ้เพราะว่าสิ่งไหนก็ตามสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเฉลยดีกว่านะลูกหลานนะหลวงพ่อมีแต่พูดเพียงแค่นั้นแหละออพอทํำไปแล้วมันไม่เป็นผลดีแต่ผู้ที่ทําเขาข้คงทําให้เพื่อสะใจนะด่ามันเลยเ อ, อ, อย่างนี้นะ เมื่อไม่นานมานี่เมื่อสองสาวันนี้หลวงพอ่อเมื่อวันก่อนมัน่งหลวงพ่อได้รับจดหมายบัตรสนเทศแต่ขึ้นหน้าเขาพิมพ์จ่าหน้าซองเลยว่ก า, ากรรมฐานกรรมถอกกรรมหลอกเอาเงินเขาวนะนะ เ, เขาเขาเขียนขึ้นในจ่าหน้าซองหลวงพ่อเห็นโอ้โหมาอีกแล้ววัก <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็มีมีสา บ, บหนึงแล้วนะมาหลวงพ่อก็ได้ฉีกทิ้งอ หลวงพ่อเนี่ยนะฟังนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะแต่ท่านหลวงพ่อเห็นบัตรสนเทมาเนี่ยหลวงพ่อจิบมาก็อ่านอ่านอ่านโอเคเขาด่าหลวงพ่ออินไว้ไอ้พอด่าเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ฉีกทิ้งนะไอ้หลวงพ่อจะไม่อ่านเป็นรอบที่สองท่านอ่านที่รอบที่2ก็จะด่าหลวงพ่ออีกเลยล่าไอ้อ่านครั้งที่3ามก็ก็ด่าอีกทังรอบเขาโอโหข่มข่าวส่งไปให้จดหมายไปให้หลวงพ่ออินี่หลวงพ่ออินด่าทั้งสี อ่านทั้งสามี่หครั้งตปวด่าหลวงพ่ออินผลที่สุดหลวงพี่ ก, ก็เป็นทุกเป็นร้อนเลยสิโมโหโกธาก็ไปมาเส้นเลือดแตกท่านจะบอกโอ้คุ้มค่าคุ้มค่าเขาจะว่าอย่างนั้นอีกใช่เพราะฉะนั้นหลวงพ่ออ่านอ่านเลยโอ้ยมันไม่เป็นความจริงไงหลวงพ่ออ่านแต่พอรู้เรื่องหลวงพ่อไม่ให้ใครอ่านอีกตัางหานะฉีกทิ้งแอบฉีกทิ้งเลยเถ้าข่าอ่านอีกเขาจะด่าอีกครั้งที่สนะองไงหลวงพ่อก็เลยฉีกทิ้ง นี่หลวงพ่อก็ว่าลูกด่านนะเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ใช่อยู่สวรรค์ชั้นพรมอะไรถ้ามีอะไรก็มาถามกันก็ได้อันนี้ทําไมด่าหลวงปู่ลีด้วยหลวงปู่ลีก็อายุตั้งเก้าสิบกว่าแล้วหลวงพ่อจุอุไทยด้วยหลวงพ่อสุดใจด้วยหลวงพ่อจันเรียนด้วยเอได้ลหลายหลวงพ่ออย่างนหลวงพ่ออินนี่ด้วยเพราะงั้นเดีหลวงพ่อได้เห็นแล้วเออลูกหลานเนี่ยทํำยังไงเ อ, อทําไมไปหา หาบาปใจหวัวตัวเองอย่างนั้นลูกหลานเลยว่ะเออถ้าทําอย่างงี้มันไม่ถูกนะเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยเคยมียมยองคนหนึ่งหลวงพ่อขึ้นไปจากกรุงเทพเนี่แหละไปถึงสนามบินญาติโยมก็ก็เลยกลุ่มมาถามเออหลวงพ่อมียมยงคนหนึ่งดูถูกหลวงพ่อนะพวกเราก็บอกว่าอย่าถาอย่าพูดอย่าพูดผลที่สูด ก, ก็เลยเอออาเจียนตอ่าเป็นเลือดตายเออในห้องคนเดียวกัน พวกเราก็เลยคิดว่าอาจจะมีส่วนบางที่ดูถูกด่าหลวงพ่อองให้จะไงกับพวกผมขอให้หลวงพ่อให้อภัยเขาด้วยอย่าให้เขาเป็นบาปเป็นกรรมที่เขาได้พูดความไม่จริงแต่ผมพวกเราก็รู้ว่ามันไม่จริงอแต่เขาก็ยังมาจริงเขาก็เลยด่าเขาเลยพูดไงพวกผมก็เลยเห็นว่าวกลัวเขาจะเป็นบาปเป็นกรรม แต่เขาก็ตายไปแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นขอให้หลวงพ่ออาโหสดศีกรัรมให้เขาด้วยหลวงพ่อเอ้ยหลวงพ่อไม่ผูกอาคาดพยาบาทจองเวรกับใครๆทั้งหมดแต่ว่ายพระสวดมนต์หลวงพ่อกังแผ่เมตตาอยู่แล้วข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขดวง ด, ดวงวิญญาณใดก็ตามขอให้มีความสุขต้องการความสุข เราต้องการความสุขอย่างใดดวงวิญญาณนั้นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆวิญญาณโดยเทิดอันนี้ก็คือการแผ่เมตตาของหลวงพ่ออยู่แล้วหลวงพ่อจะไปผูกพยาบาทอาฆาตจองเวร เ, เดือดร้อนทำไมเพราะทุกคนมันมีบาปมีกรรมอยู่กับตัวเองอยู่แล้วทุกคนกันมีกรรมของตัวเองอยู่แล้ว ยังมีกิเลสราค้าโทสะโมหะอยู่แล้วทาไมยังจะไปหาผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับเขาแต่ตามไม่จริงที่เขาตายอย่างนั้นนะหลวงพ่อก็ว่ามันก็สมควรตายเพราะกรรมของเขาเหมือนกันนะทำไมทำไมมันเรื่องไม่เป็นจริงทำไมไม่มาถามไปทำไมไปหาดูถูกไปหาทำอย่างนั้นมันก็สมคควรตายแก่กรรมที่ตนได้กระทำไว้ อย่างพระประเจกอย่างพระพระเทวทัตก็เหมือนกันพระเทวทัตพระพุทธเจ้าบวชให้แท้ๆพอบวชให้แล้วกันนะ่ะจนมีฤทธมีเดชอีกต่างหากเหาะได้ได้พระเทวทัตเนาะเหาะเหินเดินฟ้าได้อีกต่างหากนะพอได้ได้ฌานโลกีนะได้ฌานโลกีจากนั้นก็ไปสมครบกับพระเจ้าอาชาติชตรูเป็นกุ ม, มารเป็นลูกชายของ พระเจ้าพิมพ์พิสารนะ่ยก็ไปยุโยงหนะเอะพิมไอพระเจ้าพิมพิสานก็ยังหนุ่มอ่าชาติจัตูก็ยังเป็นหนุ่มถ้าปล่อยให้พ่ อ, อตายซะก่อนนะเนี่ยพระองค์ก็เป็นพระเจ้าแผนดินเมื่อแก่จะปิดประโยชน์อะไรสําเร็จโทษซะฆ่าพ่อซะได้เป็นพระเจ้าแผนดินยังหนุ่มจะดีกว่าไ อ, อพ่พระเทวทัตนะ อายุโยงให้พระเจ้าชาชัตรูเนี่ฆ่าผ่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยอย่างพวกเราไปเห็นเมืองอินเมืองพระอินเดียนะพวกเราจะได้รู้ว่านี้คุกพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยขังอยู่ตรงนี้ในขวานะแต่นั้นก็เออก็ได้สํำรัจสําเร็จโทษจริงพอในจากนั้นก็ตัวเองก็คิดฆ่าพระพุทธเจ้าไปเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวทัตหรือใช่ธรรมดาเนี่ยก็สมคบกับพระเจ้าชาชัตรูอีก แต่แกฆ่าพ่อเราก็จะฆ่าพระพุทธเจ้าเราจะเป็นพระุทธเจ้าแทนพระเจ้าซาตัวเห็นด้วยพระนิสุกก็เนี่ยแหลไปสมคบกับพระเทวเพระเจ้าอซาตุตรูขอนายขมังธนูคำว่าขมังคำอะไรไปทางขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าให้ไปยิงพระพุทธเจ้าด้วยนะื่นเอานายขมังธนูพระเจ้า อาศาตูก็จัดให้เพราะเป็นลูกพี่ใช่ไหมล่ะจัดให้จัดจัดให้จัดนายคำมังธนุค่าว่าคำมังไปว่ามือหนึ่งของประเทศวบงนั้นแหยิงแม่นอาพลูกสอนแล้วกันไปแล้วก็บอกแล้วไปบอกนี่นะตอนตีสี่นะพระพุทธเจ้านะสมณะองค์สูงสูงรูปงามๆลลอห่เนะเดินออกมาจากพระคันทุกดี มาอยู่จุดนี้แหละเดินเดินมาจุดนี้แหละให้เยอให้เธออยู่จุดนี้นะอพอเดินผ่านมากะยิงเลยเอล่อยสอนเลยลูกสอนเลยยิงเลยนะพอยิงเสร็จแล้วให้กลับให้เดินออกไปทางนี้นะเดินไปทางนี้นะอย่าไปทางอื่นนะเดินไปทางนนะี้จากนั้นก็ไปจ้างนายคำวังธนูอีกสองคนเลยนะถ้าเห็นคนเดินมาเวลาเท่านั้นนะประมาณาตีสตีกวา่า ถ้าเห็นมาอะไรไม่ต้องถามว่าเป็นใครนะเหยียยิงเลยนะเออสองคนนะเอยิงคนหนึ่งพอแต่ไหนก็ไปเอาสี่คนอีกเออสี่คนเวลาเท่านั้นนะเวลาเห็นสองคนมานะไม่ต้องถามว่าเป็นใครนะเดินมาใหยียยิงเลยเสี่คนปอมาเอาไปจับเป็นแปดคนอีกนี่เขาเรียกว่าฆ่าตัดตอนนะนะเออจนถึงสิบหกคนนะ ถึงสิบหกคนก็นเตรียมไว้อีกจะ น, นี่ให้ค่าแปดคนเหมือนกันอะสองคนต่อคนหนึ่งจะนั้นก็ อ, อพอวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เ อ, เอานายขมังธนูไปเตรียมพร้อมเลยจะนีอจะนี่นายขมังธนูนันก็พระพุทธเจ้าออกมาเดินพ ร, พระพุทธเจ้ารู้แล้วใช่ไหมจะไปกลัวเลวยหลุกศรใช่ไหมล่พะพอท่าน ชาตินี้ท่านจะงไม่ไม่ปรินิพานด้วยลูกสอนคองใครใครจะเบียดเปลี่ยนยังไงแปลว่าชาตินี้เป็นชาติที่พระองค์สยามพู ร, รู้แจ้งโลกชนะทุกอย่างแล้วภาษาและลูกลูกสอนใช่ไหมละ่ะเออทีนี้องคออกมาตามปกติท่านก็รู้แล้วนายคำวังธนูเห็นล้ยกลูกสอนขึ้นไปกับปล่อยเลยแล้วคิดว่าจะปล่อยให้ปักใส่พระพุทธเจ้าเลยนะ พอยกลูกศรขึ้นมาแต่นั่นก็ปล่อยลูกศอนไม่ไปเลพุทองค์แสดงฤทธิ์เลยท่านเลยใครข้าจยกลูกศรเข้าไปเอปล่อยลูกศรไม่ไปกับน้าวอยู่อย่างนั้นแต่ใครข้าวเยืนอยู่นั่นแนหะปล่อยลูกศรไม่ไปเอโก่งลูกศอนอยู่เอจนสีข้างโกง่งน้ําลายไหลที่มันมันยกลูกศรมันหนักใช่ไหมลูกสอมันหนักไงยกอมือลูกศรพอเสร็จเรียบร้อยแล้วกั พระองค์ก็เห็นว่ามันพอนั่นแหละก็ถามไอ้ไปไงสอนพรานเธอทำอะไรโอ้โห แ, แกก็าบอกโก้ยเขาบอกให้ฆ่าพระองค์มามายิงมายิงท่านยิงทำไมเราไม่มีคิดมีภัยกับใครทำทำไมอันนี้มันเวรมันภัยนะการฆ่าคนอื่นมันดีไหม ค่าละคนค่าาเธอะมันดีไหมคนที่จะมาเธอเธอยอมไหมไม่ยอมครับจะไปฆ่าคนอื่นหระเขาจะยอมไหมเพราะนั้นยาฆ่าใช่อย่าไปคิดฆ่าคนอื่นนะอย่าไปทําอีเพราะต้นเกษต ร, รแสดงทําให้ฟังพอแสดงทงให้ฟังเขาได้สาเร็จพระโส ด, ดาบันไงพอได้สำเร็จพระโสดาบันพูดองคอกไปไปทางนี้ไปทางนี้นะจะไปกลับทางนู้นนะ ไอ้นายคำังธนูเนี่ก็ไปอีกทางหนึ่งมาไอ้สองคนมันก็นั่งคอยก็ไม่เห็นใครมาพอเห็นมามาเห็นไปมามันเขาว่ามันคนมาทางนี้นะไปตามไปดูก่อนไปตามไปพบพพระเถรเจ้าอีกพระเเจ้าสอนอีกได้สําเร็จพระโสดบาบันไปอีกอ ก, กลับไปทางทางพันนายคำมังธนูคนแรกไปนะพอได้เจพวกถึงสิบหคนกันหลังไหลมานะียหลังไหลมาตามเนี่ยนเะพราะมัน ไม่ไม่เห็นคนมาเนี่ยว่าจะมัดคนมันจะมาทางนี้แต่ไม่เห็นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเนี่ย เ, เพราะ เ, าเพราะเขาว่าจ้างท่าอย่างเด็ดขาดแล้วทําไมไม่เห็นจากนั้นพระองค์ก็เลยแสดงธรรมให้กับพวกนายขมังธนูเหล่านั้ น, นต่างก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแปลว่าในคราวนั้นกับเทวทัตกับอศาชาชิตรูก็เลยฝ่าออกไปแบบ น, นั้นนี่แหละไม่ใช่ธรรมดานะเทวทัตนะี จากนั้นก็ปล่อยช้างนาราคิริงเอกช้างนาราคิริงเป็นช้างศึกนะเออถ้าว่าเกิดศึกสงครามเข้ามาว่าเอาไม่ชนะน่ะเขาจะเอาช้างให้ช้างตัวนี้ให้ให้กินน้ําให้กินเหล้าน่ยเอาเหล้าเหล้าสายโทนเนี่ยเหล้าหวานเนี่ยให้มันกินแปดสี่กระออมพอแรงเอยให้ให้กินแปดกระออมแต่คราวนี้เขาจะให้ขยี้พระพุทธเจ้าให้มันเป็นบ้าเลยมันกันเลย เอาให้กินทั้งสิบหกกระออมเห็นไหมลนะ่ะ อ, อให้ช้างตัวนั้นกินพอกินเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยช้างช้างกับปี่ออกมาเลยเพระอานุ์พร้อมกับพระสงฆ์พระอนุนเดินบินธบาตตามหลังพระพุทธเจา้าเห็นช้างปี่มาเนะี่ยพระอนุ น, นก์ก็เอ้ยช้างเคยเจ้าจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าต้องฆ่าเราก่อนวะนั่นเห็นไหมพระอานุน์ขนาดนั้นละ่ะคล้ายๆกับว่า ปกป้องอบ่อหลุมมครูของตัวเองเนี่ยยอมตายเหงั้นกันเลยกระโดดออกไปขวางหน้าเลยให้ช้างมาเหยียบข้าก่อนไปพระพธองค์ท่านมีอิทธิฤทธิเอ้อานน์ตามหลังเป็นเรื่องของเราเองแล้เวเราจะแล้เวเราจะจัดการแล้วทําทำเองเอบันดาลให้พระอานน์พระอาโนนก็ไม่ยอมนะพระพุทธองค์ได้ใช้ฤทธิเหมือนกันใช้ฤทธิให้เขาไาดึงแขนพระอาโนนไปอยู่ทั้งหลังเนี่ย พอพระองค์เดินไปทางหน้าช้างก็วิ่งปีเข้ามาเอ้ยช้างนาลาคิรีเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สิบในอนาคตเธอจะทำอย่างนี้เธอต้องมีเมตตาพอช้างได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะ่ยหมาบกาบเลยเยพระพุธองค์ก็เอามือไปอแตะที่กระปองหัวมันไปกลับช้างตอนนั้นก็เลยหัน อันหลังกลับหายก็ทั้งเมาเลยนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าชนะละช้างนาราคิริงอย่างพวกเราสวดพระหูเมื่อกีนนาากน้นี่นาราคิรินกับซาวลังนี่นี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าชนะช้างนาราคิรินี่แหละอันนี้ก็คือตอนสุดท้ายจนีนพระเทวทัศน์บอกว่าเ อ, อพระพุทธองค์อายุมากแล้วอายุแก่แล้วตัวเองก็แก่เหมือนกันนะ อายุเท่าๆกันกับพระพุทธเจ้าแต่มันมองไม่เห็นกิเลสมันมองไม่เห็นตัวเองนะไม่เห็นแต่คนอื่นแก่นะแต่ตัวเองแก่มันมองไม่เห็นพระพุทธองค์อายุมากแล้วแก่แล้วคนจะหยุดปกครองสงในแล้วไปเจ้าค่ะไอ้ข้าพระองค์จะเป็นผู้ปกครองสงแทนก็ได้นะเทวดาทัาตไม่ใช่ธรรมดานะปากหวานแต่ใจมันเออยิ่งกว่าอะไรพระองค์รู้นะพระพุทธเจ้าทําไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสใช่ไหม อันนั้นก็คือกิเลสทั้งรุ่นเลยพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเนอะท่าันในตัสรู้นะท่านเป็นธรรมท้งหเอก อ, อก่อนเทวทัต ด, ดูก่อนเทวทัตนะเ อ, อ่เธอนะ่ยจะมาปกครองสงฆ์ได้ยังไงเธอเหมือนกับมีเสเล็กขี้เธอตัวหนึ่งท่านเองจะมีคุณธรรมอะไรที่จะมาดูแลพระสงฆ์เ อ, อ่มาดูแลสงฆ์งได้เอ่เธอจะเราจะไปมอบให้ขี้เธอได้ยังไงลนะักษณะอย่างนั้นอนะ เทวทัตได้ยินคํานี้นะโอโห อ, อ, อ, อย่างแรงเหมือนกั น, นะเออไม่รู้จะทํายังไงโง่ฟัดโง่โงเวี่ยงแต่พูดอะไรไม่ได้ต่อมาเลยก็เอาอีหาเรื่องอีกฮะพอหาเรื่องครานี้พระพุทธเจ้าขาดพระภิกษุองค์ใดอยู่ป่าให้อยู่ป่าอพวกพระภิกษุอย่าฉันเนื้อฉันปลาเท่าองค์ฉันเนื้อฉันปลาไม่ได้ขาดเมตตาเพระโองค์บอกว่า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 เราจะไปยุ่งทําไมเอ่เมื่อเขาเอามาถวายจะเป็นผู้เลี้ยงยากได้ยังไงเอามาถวายยังไงก็รับอย่างนั้นทันอย่างนั้นฉันไปให้มันจบจบไปเป็นวันวันเอ้อเลยไปหายุ่งทําไมเอ่เราไม่เห็นด้วยพระพุทธองค์ตรัสอยางนั้นพระเทวทาราชบ่อยออกมาประกาศไลยพวกพวกพระใหม่ทั้งหลายพวกพระใหม่ทั้งบวชทั้งห้าร้อยใช่ไหมเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าไม่จริงจังไม่จริงใจปากว่าตาขยิบเห็นไหม ไม่ฆ่าสัตว์ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิามิห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่ตัวอินแต่ตัวเองกินเนื้อสัตว์เห็นไหมแปลว่าไม่จริงจังไหมใช่ไหมไม่จริงจังและไม่จริงใจใช่ไหมเราเนี่เทวทัวตเนี่ยประกาศว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่างหะพวกท่านทั้งหลายสมัครกก็ว่าใครจริงจังกลัวกันใครเป็นธรรมกลัวกัน ไอ้พวกพระบทใหม่โอ้ยใช่อาจารย์เทวทัศน์นี่แหละเป็นผู้เอจริงจังและจริงใจเป็นธรรมกว่าสมัครเป็นลูกศิษย์เทวทัศน์ถึงตั้งห้าร้อยเนี่ยไปกับเทวทัศน์รถเทวทัศน์จุงจมูกไปหมดเลยไปอยู่นู่นอยู่ในเมืองกรุงกรุงราชคือทุนน่ะออยู่เมืองก า, กาลศิลาทุนน่ะที่อยู่ของเทวทัศน์น่ะจะนี่นก็อยู่ไปอยู่ทางนู่นน่ะ นี่พรดองค์ก็บ่าโอ้พระสงฆ์ทั้งหลายพระใหม่นะยังไม่รู้เรื่องหลักธรรมวินัยอันไหนควรไม่ควรท่านกลให้พระเทวทให้พระโมกคราพ ร, พระสารีบุตรกับพระโมคขราเหาะไปนะไปกับไปแนะนําสั่งสอนพอพระเทวธาเถรพระโมคคราสารีบุตรท่านั้นล่ะโ อ, อ้จะมาเป็นลูกศิษย์จะมาเป็นอัครสารวกเราเล้เหรอโมคขาราสารีบุตรอา้าวดีละเ ว, ว่ า, าคล้ายกับว่า ลืมตัวน่แหละความลืมตัวของพระเทวทัตนะ เ, เห็นพระศยพระอะสาวกไปก็จจะว่ามาเป็นสวาพิพิพักษ์กับตนเองนะเพราะตัวเองมีบริวารมากเลยเนี่ยไม่แพ้พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระโมกขาลาสาเรียบวนกันนิ่งเฉยแต่นี้พระโมกคลากบาับันดาลให้บันดาลให้พระเทวทัตนอนหลับเสร็จแล้วป่ะเนี่ยเอ้าแั่น คือพระพุทธเจ้าในเวลาเห็นพระสาวกมาเนี่ยท่านบอกเออเอาโมคคลาสาริบุตรเออกัดจา ย, ยนะแสดงธรรมนะแล้เวเราขอพักพรก่อนฮะอันนี้ก็คือเป็นลีลาแล้ ว, ว่าเป็นแนวแนวปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไปกลางพระสงฆ์ทั้งหลายก็กลางม่านข้างหลังอย่ั้นหลว ง, งพ่อนั่งอยู่อย่างนี้นะ แ, แต่พระพุทธเจ้าก็กลางม่านจัตุรัสก็ไปบรรทม จัดที่พักในพระพุทธเจ้าปรรทมพักพรนนะเพราะพระองค์เปลี่ยนอริยบทแต่แล้วก็พระลูกศิษย์เกิดเทศนาว่าการนะแนะนําสั่งสอนประชาชนเพราะจะประชาชนต้องการฟังฟังธรรมเทศนานะเมื่อฟังจบแล้วพระองค์ก็ออกมาแนละ้เออถ้าพระสง์ทั้งหลายสถาญาตโยมทั้งหลายถ้าเราตถาคตแสดงธรรมก่อนเนะี้ยแสดงธรรมอย่างที่ กระจายน ะ, สะแสดงนี่แหะหรือโมกขาลาสาริบุตรแสดงนี่ละ่ะหรืออานน์สแสดงนี่แหละแบบเดียวกันเรารับรองหลักสลาอย่างนั้นอ่ะตอนนี้พระเทวทัตก็เห็นเห็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะตัวเองเห็นพระโมคขาลาสาริบุตรมากเออเอาท่านโมคขาลาสาริบุตรแสดงทำแทนเรานะเราจะพักพรนห่อยชายกับทำกับกิริยาเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้านะั่นจากนั้นพร ะ, พระสาริบุตร กับพระโมคครานี่ยนะท่านก็เป็นผู้มีฤทธิ์อยู่แล้วนท่านบันดาลให้ภาษาฤทธิ์พระเทวทัตนอนหลับทีนี้ใช้ฤทธิ์ก่อมให้นอนหลับเทวทัตนอนหลับพระเทวพระโมคคราก็สอนลูกธิ์พูดเสียงดังเท่ากันไม่ได้ยินนเทวทัตนอนหลับเพรลับด้วยฤทธิ์ของพระโมคคราใช่ไหมนะพระสงฆ์แถวนั้นเข้าใจโอ้ใจอพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมอ่ ด้วยได้เห็นเห็นใค ร, ครเขาบอกเนเขาจะฆ่าสัตว์เพื่อให้เรากินอย่าไปกินถ้ากินเปรับอาบัติทุกกฎถ้าได้ยินได้ยินว่าเออเขาพระสงฆ์มามากนันเราฆ่ า, าสัตว์ฆ่าปลาฆ่าไกา่เลี้ยงพระสงฆ์เถอนะเดี๋ยวพระอาหารจะไม่พอกินถ้าพระสงฆ์ไปกินไปทานอาหารไปฉันอาหารที่เขาได้ยินเขาพูดอย่างนั้นปรับอาบัติทุกกฎถ้าสงสยัยตกอบินทบาทไม่เคยมี แต่ข่าวนี้วินธบาท เ, เห็นพระสงฆ์มามากเ<ๆ>ขาคงจะฆ่าบัวฆ่าควายฆ่ า, าไก่ฆ่าปลาให้พระเลี้ยงพระมั่งพระไปฉั น, นปรับอติทูกกฎด้วยได้เห็นด้วยได้ยินด้วยสงสัยถ้าหากว่าเรานอกออกจากกฎระเบียบนี้แล้วฉันได้ถ้าอยู่ในกฎระเบียบนี้ห้ามฉันพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นเะี่ยทีนี้พระโมกขลาสารบุตรท่านก็แสดงธรรม โปรดพระสงฆ์นะั้นพระสงฆ์เรเห็นด้วยว่าการที่พระเทวทัตพูดผิดพระสงฆ์ยอมรับพระโมคขาลากระสาเรือบุตรพระโมคขาลาเออปะพวกเราจะไปไหมจะกลับวัดเฉตะวันไหมกลับครับแต่จะกลับรู้ยังไงอ่อเดี๋ยวเราจะพากลับพระโมกขาลาแบบเหมือนกับบรรดาลให้เหมือนกับเครื่องบินนี่ใช่ไหมล่ะ ให้พระสงฆ์เหล่านั้นเหาะได้ ท, ทุกองค์คือนั่งนั่งยาณรัตสนะของพระโมคคลาเพระโมคคลาพาพระสงฆ์ตั้ง500พร้อมกับภาษาลิบุตรกลับมากราบพระพุทธไทยจามาทางอากาศเลยพัากันะพอเทวทัตตื่นมัวเมียขึ้นมาทีนี่คลายฤทธิ์แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระสงฆ์ทั้งหลายหมดหนีออกไปหมดแล้วโกกาลิก อโมโหให้อาจารย์ว่ะเนอะผลลูกศิษย์ใกล้ศิษย์เลกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนของเทวทัตเลยอาจารย์ทําไมไปหานอนไปไว้ใจเขาได้ยังไงนี่ออาจารย์ทําได้ยังไงอาจารย์เทวทัตโง่มากเลยผลที่สูวรกับลูกศิษย์ก็ไม่ใช่ธรรมดามันกันนะอโมโหอาจารย์ก็ไม่ใช่ธรรมดานีอกอดคอเข้ามาแล้วเข่ากระทุ้งหน้าอกของเทวทัตจนเลือดอาเจียนออกปากของเทวทัตมัน่ย ลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์จริงๆนะหลวงพ่อวาด น, นะเ อ, อกอดเข่ากอดคอตีเข่าออ ก, กันเทวทัตอาเจียนเป็นเลือดออพอทุกยัยอยู่แล้วเพราะในสุดเทวทัตก็เลยป่วยเ อ, อก็ซอกกระแสะมาเลยท่านี้พอป่วยขึ้นมาคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ท่านี้โอ้เราเนี่ยเกินไปใะแล้วเ อ, อพอป่วยหนักเข้าไปไม่รอดอะข่าวเนี่ยคิดถึงพระพุทธเจ้า โอ้พาเราไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยเถินหาทรงนั่นเล ย, เยจะฆ่าพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่ครั้งแล้วจะไปหากราบพระพุทธเจ้าได้ยังไงไม่พาไปไอายเที่ยวถัดไม้เทียวพระพุทธเจ้านะ่นท่านไม่มีไม่มีคำว่าพยาบาทอาฆาตจองเวรกับผู้ใดใครทั้งหมดท่านรักพระราหุนอย่างไรก็รักทุกคนอย่างพรลาหุน พราะพุทธเจ้าจิตใจเป็นสแตนดาร์ดไม่กระเพื่อไม่วันไหวมีเมตตาต่อสัพสัตต์ตัวเล็กตัวน้อ ย, ต, อยตัวใหญ่เสมอกันหมดคำว่ากิจฉาพยาบาทออในใจของพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะนั้นขอให้พาเราไปเถอะไม่เป็นไรอย่าพระพุทธเจ้าสม่ำเสมอท่านมีเมตตาอยู่แล้วแต่นี่ก็ราสงทางหลายพระเทวทัตอ่อนวอนต่อหลายครั้งตอหลายหุนเอาไปก็ไป แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพระเทวทัตที่แยกพระสงฆ์ออกไปนะ่พระเทวพระเทวทัตประกาศประกาศบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะแยกตัวออกจากพระพุทธเจ้าจะไม่มาเคารพนบน้อมไม่นับถื อ, อ, อ, อ, อกับพระพุทธเจ้าอีกต่อไป เ, ออเราจะไม่มากราบมาไหว้ไม่มาเห็นพระพุทธเจ้าอีกต่อไปตั้งแต่บัดนี้นะ พระเทวทัตประกาศเองเลยเอ่อทีนี้พระพุองค์บอกว่าเอ่อตอนนั้นก็หามพระพุทธเจ้าหามพระเทวทัตมาเลใส่หามมาสี่คนหามคนละเตียงเลยมั้งเทวทัตนอนอยู่เตียงแต่แค่หามมาหามมาพระพุองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าข่านะเขาหามเทวทัตมากราบพระพุทธเจ้านะเอ่อกำลังหามมาอยู่เลยพระพุองค์บอกเอ้ยเทวทัตเขาประกาศแล้วตั้งแต่เมื่อเขาแยก แยกจากเราในวันนั้นเขาบอกว่าเขาจะไม่มากราบมาไหว้เขาจะไม่เห็นเราจะไม่เขาจะไม่เห็นเทวะไม่เห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นเขาประกาศเองเออมาก็ไม่เห็นหน้าหรอกไม่เห็นเราตถาคตมาก็ไม่เห็นมาเขาไม่เห็นเขาก็หามาอีกไกลๆเออมาเดี๋ยวนี้มาถึงตรงนั้นตรงนี้แล้วพระเจ้าข่าพระเจ้าราเอ้ยมาใกล้ก็ไม่เห็นออพอได้สู่ก็เลยมา ตนถึงหน้าวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารมันมีสระน้ําอยู่หน้าวัดไงแอบินสระน้ําอยู่พอจากนั้นมาเขาก็พวกพระทั้งหลายที่หามมาเขาก็เหนื่อยเหงื่อแตกเหงื่อไหลไงพอหามคนไหหามคนทั้งเป็นน้ําใสแต่แค่มาเขาเลยพวกเราไปอาบลงไปอาบน้ําก่อนถูกไหยังค่อยพาเทวพระอาจารย์เทวทัศน์เข้าไปกราบพระพุทธเจ้า พอว่าเท่านั้งพ่อนี้ยกัเลยวางเตียงหลงข้างสระน้ําพระสงฆ์เท่านั้นพระสงฆ์ที่หามากันลงลงไปอาบน้ําในสระชําระกายซะก่อนเพราะมันมันร้อนเหมือนเงาแตกเงาไหลให้พระเทวทัตน์ก็พอเห็นพระสงฆ์เหล่า น, นั้นลงไปอาบน้ําตัวเองเลยมาถึงวัดป่าเชตตะวันแลท้ท่นี้ก็เลยลุกขึ้นมานั่งพอมานั่งแล้ก็ย่อนขาลงนี่ยเหมือนกับหลวงพ่อนั่งอยู่ในเตียงเนี่ยยอนขาลงไปในเตียงนี่ยนะ พอยอนขาตอนนั้นแผ่นดินดูดเลย้แผ่นดินแยกเลยพอแผ่นดินแยกกจะดูดพระเทวทัตพรเทวทัตตกลงไปในในแผ่นดินแผ่นดินแยกใช่ไหมพอแยกลงไปเลยไหลไหลไหลห ล, ลงไ ป, ไปไปถึงเออเพียงเอวเพียงอกเพียงคอนะไอไปถึงคอพอถึงคอเทวทัตบอกโอ้อ่าพพระพุทธองค์เป็นผู้มีเมตตาแต่ข้าพระองค์ได้ล่วงเกิน กระทำต่อพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอพระพุทธองค์จงโปรดโอษฐ์ให้กับข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าไม่มีสิ่งไหนที่จะบูชาคารวะพระพุทธเจ้านอกจากขากรรไกรคือขางเท่านั้นข้าพเจ้าขอเอาขางเป็นขิงเคารพศักการะพระพุทธเจ้าด้วยเทินจะให้ข้าพเจ้าได้รับบาปรับกรรมต่อไปด้วยเทินขอกับคารวะ พอว่าท่านั้นกับแผนดินจะโซบพรบลงไปจากนั้นก็ปิดพรบเทวทัตก็ลงไปสู่อเวจีมหานรกเลยตกไปไปอันกอเวจเีเป็นตัวบาบใหญ่ขึ้นมานยอยู่ในอเวจเีท่านเขาบอกว่าท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกท่านบอกเหมือนเหล็กเทวทัตเนี่ยคงจะคงจะตัวใหญ่ขึ้นมาทีนีเ้เพราะกรรมกรรม จำแนกให้ตัวเป็นตัวใหญ่ฮะเหล็กเท่าลําตาด์ลาตาลใหญ่ขนาดไหนเนี่ยหมุนจากหัวลงไปสู่ทวาวรทะลุลงไปหมุนอยู่กับพื้นเอ่อแล้วหมุนหมุนสีข้า ง, ข, างข้างขวาเนี่ยไปทะลุข้างซ้ายไปตึงกับฝาผานังนรกอ่าฝังผนังอลริเบจีนและกับลุงหนึ่งก็ตึงตึงมาจากหน้าอกไปถึงหน้าทั้งหน้าทั้งหลังอีกหมุนไปทุนตุก๊กจาก ทุกตัวหมุนอยู่ตลอดอพอหมุนขึ้นแล้วไฟไหม้พเพิบพอมาเพิบเสร็จแล้วก็เป็นเทวทัศน์ขึ้นมาอีกหมุนอีกอยู่นะเพิบขึ้นมาอีกนี่แหละเทวทัศน์ใช้กรรมใช้บาปใช้กรกรมพระพุทธองค์บอกว่ากรรมของเทวทัศน์จะทํำยังไงได้เพราะเทวทัศน์สร้างกรรมเองพระพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ให้ให้ตัวเองทําเทวทัศน์สร้างเองเอทํากรรมให้ตนเอง ที่เราตถาคตให้เทวทัตบวชเราก็รู้ว่าเทวทัตจะเบียดเบียนจะลังแกเราแต่เราเห็นครั้งสุดท้ายเนี่เทวทัตจะเป็นผู้ยอมอยอมว่าข้าพเจ้าอขอเอาคางคาระวะพระพุทธเจาเธเ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเทถินข้าพเจ้าขอสารภาพยอมผิดแล้วเห็นโทษแล้วนี่แหละเราตถาคตเห็นจุดนี้เท่านั้นเองที่เราตถาคตให้เทวทัตบวช แต่ถ้าว่าเราจะถาคตไม่ให้เทวทัศน์บวชนะเทวทัศน์จะไม่เห็นคุณค่าและไม่เห็นไม่สัมมาคาราลาโทษไม่เห็นโทษเทวทัศน์นี่ตกนรกจะไม่มีไม่มีเวลาไม่มีจุดเลยเไม่รู้นานเท่านานแต่นี่เถอะ เ, เทวทัศน์เขาเห็นโทษแล้ว เ, เขาเห็นโทษว่าเขาได้ทําผิดเขาเลยยอมสารภาพผิดในนาทีสุดท้าย อด้วยการคลรวะหรือว่าการเห็นโทษของเขาเนี่แหละเขาจะได้เป็นพระพุทธพระปัิเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเขาจะได้ตัดรู้เป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเอนี่แหละแต่ว่าเขาเมื่อเขาได้เป็นพระปฏิจเจกพุทธเจ้าในชาตินั้นะเมื่อเขาได้เป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าปากของเขาจะเหม็นเหม็นมากเลยเวลาเขาอ้าปากขึ้นมาเออใครๆไป ต่อหน้านะพราะประเจดเพราะเอามือปิดจมูกไม่ทันเหไรอย่าง น, น, นะนั้นนี่แหละคือบาปกรรมของพระเทวทัตเนี่ยยังใช้ไปถึงนู่นเมื่อได้ตัดจะรู้เป็นพระพระเจ้าแล้วยังกรรมยังให้ผลอีกนะเนี่ยนี่แหละกรรมชั่วอย่าทําเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเอนี่แหละ สัปะปาปัสะอะคาระหนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งกุสลสูปสมปรทาการสร้างกุศลให้พร้อมหนึ่งสัจจตประโยทาปานังทำการทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี่แหละคือทมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะนั้นคณะสัทธายาิโยมลูกหลานเน เออนี่แหละคือการสร้างบุญสร้างกุศลคิดดีทำดีพูดดีนะเออคิดยังไงจึงคิดดีคิดเป็นสัมมาทิฏฐิที่คิดดีคิดยังไงพูดดีพูดยังไงเออทำดีนะทำยังไงในหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยทำดีเนะ่ยคือศีลห้าสำหรับฆราวาสนะศีลห้าประการไม่ฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยไปคิดฆ่าไม่คิดขโมย เคารพในสิทธิสามีภรรยาของคนอื่นแล้วก็ไม่กินเหล้าอันนี้ก็คือทําดีในก่อนที่จะทําดีเราต้องคิดดีซะก่อนเมื่อเราไปฆ่าเขาแล้วเขามาฆ่าเราเรามีความรู้สึกยังไงในเมื่อไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเรามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเราไปผิดลูกเมียของคนอื่นเขาไปล่วงเกินสามีภรรยาของคนอื่นเขาเขามีความรู้สึกยังไง เขามาล่วงเกินสามีภรรยาลูกหลานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราไปดื่มสุราขาดจิตในเมื่อขาดจิตแล้วเราทำความชั่วใ้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ผิดลูกเมียใครก็ได้โกหกใครก็ได้เอ่มันดีไหมถ้ามันไม่ดีเราอย่าทำนี่แหละคือสินสีขส่ข้ อ, ขอมีอยู่สีข้อนะแต่ข้อที่าเนี่ยเอ่ มุสาวาธาคือการกระทําทางวาจาอันหนึ่งคือคิดสินท่าคือรักษากายวาจากายก็คือร่างกายของเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่พูดปิดในกาบไม่กินเหล้ากายวาจาได้ก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อพูดหาสาระประโยชน์ไม่ได้ดูถูกเหยียดยามคนนั้นคนนี้ หาเรื่องใส่คนนั้นคนนี้ น, นี่แหละอันนี้วาจาอย่าทำาเสลยดีกว่านี่แหละคือศีลห้าถ้าใครมีศีลห้าประจำกายวาจาแล้วนั้นเป็ น, ปนคนดีแปลว่ า, าคิดดีแล้วก็ทำดีแล้วก็พูดดีคนที่มีศีลห้าคิดดีทำดีพูดดีมีแต่ความเจริญถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้ว เห็นอะไรก็ด่าไปหมดด่าไปหมดไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไ ม, ไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรเห็นพ่อแม่ก็ด่าพ่อแม่ เ, เห็นใครต่อใครเห็นสัมพณชีพาม เ, เห็นเขาเได้ดิได้ดีก็ทนอยู่ไม่ได้อิจฉาพยาบาทอาฆาตเขาล้วนแล้วแต่เป็นผลทาง เ, เป็นกลุ่มของเทวทัศน์ทางนั้นละ่ะ เ, เป็นหมเูเป็นแนวแถวของเทวทัศนพาธรรมเพราะนั้นพวกเราคณะจตหาญาธโยมโลูกหลานนะ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 ที่ได้ปนนิบัติทําบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าสุชิมะที่เป็นลูกชายของเราในชาตินั้นนี่แหละอเนกสง์บุญกุศลติดภพติดชาติในคณะทาญาทโยมถ้าทําบาปบาปก็ติดภพติดชาติเหมือนกันถ้าทําบุญบุญก็ติดภพติดชาติเนี่ยมั้กรรมชั่วอย่าทําเสียดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง ะ น, นั้นการกล่าวแนวความคิดให้กับพวกเราคณะทาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็เป็นแนวทางสำหรับให้พวกเราได้คิดได้ศึกษาและก็วันพุ่งนี้นะถ้าเป็นไปได้อย่าอย่าลืมท่านใดถ้ามีมีโอกาสหาโอกาสจะน้หาได้ยากวันพุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนของพวกเราก็ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลแต่พระพุทธเจ้าท่าน ไปสร้างบุญสร้างกุศลกับพระลูกชายของท่านท่านก็ยังติดภพติดชาติแล้ววันพรุ่งนี้เรามาสร้างหล่อรูปเหมือนเจ้าพระคุณตมเดชพระสังฆราชที่เป็นสังฆร า, าชาเป็นประธานสังฆร า, าชากับพวกเราพวกเราจะได้เป็นบุญเป็นกุศลติดภพติดชาติเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าน ะ, ะการกล่าวสมุดธนิยกากถาเนี่ยวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา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 ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทกท่านด้วยเทอญ